รู้ไหม่ะค น, นกลัวตายภาษาโคราะะใครที่ไม่กลัวตายอู้นั่งขโมอแค่แม่โอ้ยนั่งไอ้นังน่งอะไรเนี่ขาเรียกอะไรนั่งอะไรนั่งวิปัสนาจานี่นะเพราะคนมันกลัวตายเป็นลัดนิดอะไรหน่อยไว้ลัดเข้ามันสมองโอ้ยปวดหัวอุปทานเข้าไปแทรกจริงๆมันก็ไม่ได้ปวดหัวแต่ความนึกคิด รูปนามันไปก่อนแตมาพูดบอบๆเรียงว่าพุทธชิตอิสลามนะมันลามตามไม่ใช่พืตีาศาสนาเขาเนาะมาใส่สารเขาว่ารมันลามตามความชิดของเราเนี่ยเริ่มต้นจากความชิดบันด า, าพูดกันว่าไอ้สุปฏิปนโนสาวกสังคโคเพราะมันเป็นสังแล้วน่สาวะ เว้นไห้เว้นวักสังโคโคอะไรเขาเรียกกระบื้อ <c oughs> แป่ภาษาอีสานนะแปวนนอกบอกบาลีไม่ใช่แปวนะพระไตรปิฎกออกนอกเรื่องนี่แหละมันก็ฟังสนุกดี <c oughs> ทำไมจึงมาศึกษาวิธีนี้ <c oughs> อาจารย์บุญเหลือยมภาษาอสารเขาเรียกว่าปึ๊ก มันหนามันก็แป้งแป้งถึงแป้งไอ้ไม้กระดานนะ่ะที่ก็ผ่าวครั้งแรกนะเคยผ่าต้นไม้หรือเปล่าทีื่องภาษาเพลงมันไหวไงส่วนตึ๊ส่วนหนาเอวลอยสายเดี่ยวไอ้นี่เหมือนกันที่เพลงเขาล่องกันนะเดวมวิเคราะห์ มันเป็นภาษาอีสานนี่เราไปเป็นภาษาไทยภากกลางเขเข้าใจส้นหนาเอวลอยสายเดียวแต่อยู่นี่ไม่มีคนนั่งสายเดียวหรอกเป็นไรเพราะระเบียบประเพณีคนไทยเขาชอบข่มชอบมิดชิดปฏิสังขายโยกันนุ่งห่มนี่นะ บัจจีนี่เอาลงภาษาไรแต่ตมาเนี่พูดภาษากลางไม่ค่อยชัดนาะคอภัยบางบางทีอาจจิตตกหลงอาจจินลงท่องร่องอาจจินเหนียออกนอกล่องในพัะไตปิดกนนะที่เราสวดกันทุกวันทุกวัน น, นะนั่นหนละคือตัวแก่ลมอุปปัฏฐโมอุปปัฏโม ทำบางอย่างที่ทำได้ทำบางอย่างที่ทำไม่ได้ทำบางอย่างที่ทำได้ทำบางอย่างที่เศร้าหมองทำบางอย่างที่ไม่เศร้าหมององค์นี้ชอบใส่พาจีวรไม่เหมือนใครพระครูสามสีนะี่พาตะคดสีหนึ่งสะบงสีหนึ่งแองสะสีหนึ่งทำไมจะเป็นยังไงพระพระปติสมมุติสีไหนกระช่างมันก็คือพระ แต่ก่อนมาเรียนเลิกเรียงพระจะเรียงยังไงอะอาตมาไม่รู้เรียงว่าพระสุปฏิปนโนหมายถึงอะไรผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบนะี่แปลมาจากพระไตรปิฎก ข, ของปะเปลียนนะน ะ, ปะเปลียนเก้านะนะที่เราเรียนทุกเช้าทุกเช้าปเปลียนเก้านะครับด็อกเตอร์ด้วยเวลาสมาธิมันดีดีนิ่งนะ่ะ มันจะพุทธโทรึันมาเองคำหมายภาษาไทยเพราะเราคนภาษาไทยเสืพภาษาไทยนะอืชัดไหมแต่ชัดกั้นมาถามอาจารย์เลียเลยถ้ามันติดอารมณ์เยอะองนี่ไม่เหมือนใครนะแกอารมณ์พระอารมณ์เนร์อยู่แพร่แสงเทียนอาจารย์เลี้ยงไม่ย่าง ขึ้นปุ๊บผมโหดเทวเนี่ยตอนเย็นบอกกับไวน้นันเน้นองเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นส่ายจะถือนามแท้ไวะหมายถึงว่าตื่นบ่ท่านเมื่อไหวพ่าสดมุน่นเป็นสรารวัตรป่ า, ป, ป, า ป, ป่ามเน้นเนี่ยป่า ป, ปานจิเลสนะได้คำสั่งสอนมาจากรู้พระไตรปิดกเล่มไหนหตักน้มรอไว้ที่คนนอน ฝนแดดมาตกเงี้ยเศร้าวะตื่นพะโมฟฟี่ขึ้นมาก็กถืกน้ำจานเหลยอละดทั้งบอลเปียกปั๊บลดน้ำขอนะตอนเช้าคือปุกปุกแค่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านชัดไหมปะที็เนี้ยทำไมจึงง่วงน่ามันเป็นธรรมะไอ้เด็กเมืองแปรเผยลองกวง เพมันเป็นธรรมาชาติของมันครับอาจารย์ทำไมเด็กถึงดือ้อเด็กคำคุณสักดามานะธรรมชาติของมันมันก็ดื้อหลือวะเข้าใจหรือวาเด็กมันทําไมถึงดือ้อมันเป็นธรรมชาติของมันลูกเอ้ยอืมนี่เปว่าครับ ไม่พูดธรรมะแล้วไมพูดประวัติคืเปียบเจ็บประวัติจันเหลียวจะมาอย่างนี้แล้วออกนอกเรื่องเจอาจจะจับจน้นต้นปลายกระโดดไปกระโดดมามึงก็อารมณ์อมตะานเนี่ยเวลาเจ็บอารมณ์มึงก็ขึ้นเวลาอารมณ์มังก็ปล่อยเก็เรียกว่าชาร์แบตไปเต็มที่โออย่างมันเลยนะโยมไปดูว่าสมแพทแสงเทียนรุ่นแรกประทาดปูกแก่ บ้านน้ำอ้อยคือบ้านน้องอ้อยนีบินทะบาดหกกิโลอีพออ้ยออะทาดผูกแกมีตะบูบ้านหมู่หนึ 2, ่งหมู่สองหมู่สามบ้านอ้อยก็ จ, จะมาถึงวัดลินห้อยเลยแบบเบาวานทุกวันเนี่ยโลว์ค <c oughs> ือมาเดี๋ยวลิน ห, อหน้อยนเป็นนมค้นด้วยครับรายงางได้เนี่ยพาส่ง ไปได้ขี่ได้วิ่งได้บอกเลขได้ประธานยังบอกบิดบอกเนี่ยเขาปะเนี่ยเขาปัวบอกได้อาจารย์ดูหมอให้หน่อย <c oughs> ก่อนจะดูหมอจะถามประวัติเขาก่อนะอะไรมือมาโอ้สาตาเจาตกไอชิวปีนาเพิ่งจะมูดเด้วม นี่อยละคือการดูหมอของพระอาจารย์บุญเหลียวดูหรเปป่าภาษากลางดูลายมือนะชาตตาชาตากนไรถึงเบ้าหัวตกไตคิ้ว ข, ขึ้นหน้าผากปีนาเพิ่งจะบุกมีต่อไปเพิ่มปากช่องนี่คือการดูหมอ ไม่ใช่หมอดูนะมันมีปัญญาเกิดไปอย่างนั้นพอปฏิบัติไปปฏิบัติมามีเม็นมือมุกขำอยู่โยมอาตมาไม่ชอบพูดพูดจริงจังหลวงพ่อไม้มหเหลยเนี่ยเบรบ่อยๆไปเป็นพาวีกรไหนชอบพูดเล่นจานเหลียนเนี่ย <c oughs> แต่เจ้าของเคยติดอารมณ์ ม, มา ก, ก่อนละเรี่องไดเขาจะพูดจริงจังวิชาปากพยามมานเลยนยิ มันนั่งข้อมอาินิดได้ทั้งโลกดันทุลังทั้งโลกมะเร็งเล่นเล่าความคิอดอะความชิดทั้งโลกไอ้ชีหนูเด็กตนน่ะนะที่มันขึ้นศรีรษะนะทั้งโลกเห็บเห็บที่จังหวัดจันท์ก็ช่างนะเดเขาคข่สี่สิบวัน ทั้งโลกเชียรลาทั้งโลกอะไรที่เป็นอุทยเบอร์หนึ่งก่อช่างมาเ ล, เลียที่จริงจานเลียไม่ได้เป็นอะไรลุยไปหาหมอก็ตั้งชื่อโรคให้อาตมาก็เลยงงเลก่เป็นตั๊มานี่เนาะหาหมอนี่เนาะเพิ่มอุปทานให้ขึ้นทุกทีทุกทีเลยกลัวจะตายไว้ อ, อตัง้งสิจารย์เลี้เป็นเบาหวานนะจารย์เลเป็นไข่ฉีนูนต้นนะจารย์เลเป็นลูกเข็บเชียรานะจารย์เลีอเป็นมาเลเรียมาลาเรียภาษาผมพูดมาลายเลือคุณหมอตั้งให้เวลาไปไปยังไงไปหาหมอปีนี้อาจารย์ได้ แดงบาหวานบาหวานตายแดงมายี่สิบปีแล้วนะอาจารย์อย่าตายไว้ให้ฉันขอให้ฉันยาสามเวลานะหลังอาหารอย่าตายไว้ให้ให้ฉันเวลาเดียวที่เราทําปกตินี่นะฉันเช้าเนี่ยอยากตายชาสารฉันสามมือ้อเอาอยัางไงดีโยมอุปทานมันเข้ามาแทรกแล้วมันกลัวตาย <laughs> ไต่บันไดล้วขอจะข้าวเย็ยนเขาจิ้นในพระชีู้ต อ, อ, องนี่รู้จักชีู้ดไหมพราดันทุลั ง, ลงอะ่ะมะเลงพระมะเลงนี่ดูไปดูมาบัดเนี่เอ้ามันอยู่ได้ยังไงนะผมก็งงพอผมผมว่าจะบวชจากสามวันแล้วผมจะศึกประวัตินะอธิษฐานทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องปาตนา เมื่อทำสมาธิและท่านทำอธิษฐานและปัศาสนาให้ถึงนิพพานนุ่นเถินนิพพานคืออะไรมันก็มาให้เลียงชอบให้อารมณ์จันเหลียบ่อยๆอสมมุติส ม, มุิไม่ฉีดกล่องไม่ฉีดมันมีนิพานแล้วก็มีไฟมีน้ํามีลมมีไฟกล่องไม่ฉีดเ น, นีน่ย น, นะแล้วท่านถามว่าอะไรสอบอารมณ์จันเหลียนะ ไฟมันอยู่ด้านใดอาจารย์คุณเหลียเราเชิบจอบเหลียคุณนั่นคุณนี่เป็นสาพื้นนของหลวงพ่อมาหายเล็กอยู่นะคุณเหลีย อ, อาจารย์บุเรียไฟมันอยู่ด้านไหนกองไม่ขีดนะพวกเราจะตอบว่ายังไงไฟมันอยู่ด้านไหนถ้าไม่ปฏิบัติถึงรูปถึงนามถึง แล่าศารหลวงพ่อเจียนเขาเน้นรูปน้ำที่งวดดังดินละ่ะผมไม่เป็นแตกเลยความชิดก็คือรูปตัวนึกชิดก็คือน้ำมันผสมกันอยู่ระวางรูปตาเห็นรูปตากระทบรูปห้ามปรุงแต่งว่าต้นอะไรนี่คือรูป เนี่ยเรายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนี่คือลูกภาษาอีสานเขาเรียกว่าคัมชิงเนี่ยขึ้นมากเสียคัมชิงหรือเต่งชิงภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกชัดไหมจะฝ่าวันรุ่นจอนจันเหลียเด้อหามบรรลุโดี๋ยวพวกจอยจุบุณยมัจจังหันมาเพนได้จันเหลียจิวดเข่าอีกเพราะปัญญามันเกิด ความรอบลู้ในกองสังขารเนี่ยปัญญามันเกิดเป็นไรพักถึงติดลมเป็นไรแม่ชีถึงติดลมภาษาเหมืองแป้นะเด็กลองกวางเผอสงเม็ดหลานหลวงพ่อมหาอิเลกก็พูดสันส้นๆสมัยนั้นแม่แม่แม่แม่แม่แมแมแมสุวรรณยังไม่ตายเนาะแแม่สุวรรณแล้วก็แม่เลี้ยงคำแปะแล้วก็คุณหม้อประจน ล ง, ลงวันอยู่สุกเม่นบ้านสุกเม้นได้ไปจำพรษาที่นั่นเอาเด็กนักเรียนไปเข้าค่ายอยู่อามแพทย์เสียงเจิไล่พระออกจากกุฏิให้หมดหนาพรรษาเสดเดือนตัวขนาดเนี่ยรูปอะเสเดือนอาศรมนี่ตัวโตนะเหมือนกับตัวอะไรจิตทะเลปิงเหรอ ยาวๆนะไสเดือนไสเดือนอ่าเน <function als. S 1> ี <c oughs> ่ยคือไสเดือนมันจะตัวโตตัวเล็กช่างมันก็คือตัวโตคือว่าเห็นเป็นรูปแล้วมันกูอะเนี่ยอุปทานเขาไปแทรกขนาดใสเดือนมันยังกูอะมันจะไปทําอะไรได้ตัวรูปเสยนะรูปมันกูอะแต่ไปรายงานทางใจทางไอ้มันสมองเนี่ยปัญญานึกคิด ไตติคือไม้พายนะไอ้ตัวหางเสือเนี่ยคือตติเบียบเรียลเี เ, เอาเรียงยง่ายๆที่หลวงพ่อมาให้เลยขึ้นตำ ม, ม่าจะพูดบ่อยที่สุดจนผมจำไม่ได้เลยสติคือหางเสือปัญญาคือไม้พายคนที่นั่งบนเรือนี่คืออะไรใจหรือบ่าเี่ ทำ ง, ง่ายๆเนี่ยพุทธานเขาเขียนไว้แต่ติคือหางเสือปัญญาคือความชิดมันใส่สติมันจะใช่ไม่พายไปเจอลุกมังมม่งไปเจอตอไม่พายมั่งไปเจอตาจะใต้น้ำตัวคุดวัวเพื่อใส่สันตัวนุกตัวชิดนั่นแหละตัวทำลาย ที่จริงมันไม่ได้ชนตามกับภายเรียนที่จริงมันไม่ได้ชนอะไรกับมันนึกนึกชิดพูดเข้าใจหรือว่าภาษาอิตาลีคืว่ามันคุดภาษาไทยเขาเรียกว่ามันชิดเนีย่ยหลวงปู่เทียนท่านพูดนเน่นตัวนี้ให้รูกความชิดก่อนในรูกความชิดก่อนแล้วคุณมันนั่งดูรูป เน่ยสมาธิเดีเยวฝึกง่ายง่ายทำไมถึงโอ้โหสิบปีมั่งห้าสิบปีมังยกไว้ก็ได้ที่ระสือนไอ้ยกไว้ก็ได้มันคืคนเราไปปักเบ็ดนะ่ะมันไม่ถูกปากยกไว้เนี่ดึงคันเบ็ดแล้วก็มาตั้งภาษาไทยเขาเรียกอะไรด่านเบ็ดกันแล้วข่ะเนาผมมันพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดก็ขออภัยมั่งนี่แหละคือประวัติศาสตร์ของจันเหลีย เก่ใจร้วป่าแล้นี่มันทุกข์ล่าหลวงปู่เทียนเขาก็ท่าถ่ายด้วยมีหลวงตาองเดียวท่าคุณมีเงินเดือนอ่าสมมติสมมติมนี่อาจารย์เหลียวพูดสมมตินนะ่ะไม่จะพูดเรื่องอื่นนะสมมติว่าอาจารย์เหลียวเป็นปรวศาสตร์เมื่อคน เกิดอารมณ์ใดๆแต่ใส่สารค่ะว่าอายุสี่สิบห้าสิบมันจะไปตามอนาคตนะอายุห0สิบเจ็ดสิบมันจะนึกถึง อ, อดีตอดีตที้น่วงไปแล้วอนาคตที่ยังไม่มานั้นลหละมันจะย้อนอตีตังตีตังคุณจะตีตังไหม ตีข้างนี่มันกระดุกข้างนี่ตีข้างนี่มันกระดุกข้างนี่ตังตังตังที่เรานั่งที่ทุกวันน่ะเตี่ยกระดานแปะแล้วก็ตีหรืมันรู้วจักตังเตียงตังตาอีโต้ยาวแปลภาษาอีสานเอ้ยแปลภาษาไทยตังคือตังที่เราขุดกระต่ายขุดมะพร้าวน่ะที่มันตังนั่นแหละคือตัง ทิ่เากาีตัวเล็กนั่งตาตีตังยานรู้จักยานไหมยานก็คือความชิดนั่นแหละยานพัฒน์นาตาจีตีบาหลีจักหน่อยนะพระที่เรียนมหาบาลีจะมาเอาอะไรอวบนกจันเหลียเพราะจันเหลี่ยวไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนอะไรเป็นผ้าหลวงตาธรรมดาธรรมดาบวชตามประเพณี บดนี้สังสารบดผังกะสุดบทสนุกตามเพียนเพราะนั่นเองแต่มาปฏิบัติมันทำไมลึกธรรมดาจันเหลี่ยนเนี่ย่เคยเทใส่ผู้ใดฟังเดไม่เคยเทใส่ใครอยู่กันลุงพ่อมาให้เหลข2ยี่สิบปีเทศไม่เป็นโอ้เนี่ยมันหนามันก็แป่นปีปัญญาไม่เกิด ทำทำน้ ำ, ำไปปัญญาไม่เกิด <c oughs> ทําไมไม่เกิดเพราะอารมณ์ปฏิบัติมันยังไม่ถึงแต่จริงมันถึงมันท่องมาแล้วก็มาพูดกันเนี่ยเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ปัญญาของคนอื่นไม่ใช่ปัญญาของเราหลวงปู่เทียนวายต่อปัญญาของเราที่พูดเลี่ยงเราสิกล้าเปิดเผยกล้าเพิงกล้าหงายหรือเปล่าชีวิตใครกับชีวิตมันนะปกปิดเอาไว้ เไม่ปกไปิดไว้เขาจาำว่าเราเป็นพระทุเล่ทุ ก, กังดันทุลังมะเร็งเงนี่ยนะพระองค์นี้มะเร็งมะเร็งคือดันทุลังแมหมะอยู่กันหลวงพ่อมาหาเนี่ยนีเหล็ ก, กับหลวงพ่อเทีย น, เ, นยเข้ามาเมื่อปีศ .2530 หลวงพ่อเจียมวรณละนะพอดีเลยทำไมถึงเข้ามางานปฏิวัติพายเหตุเข้ามาปฏิวัติไปปฏิวัติมามาถึงนี่แหละวัดอาจารย์มหาสุรินทร์อยู่ทุกวันพระครนะูไปอยู่น้องพักหลอดได้สองเดืนอนเขาให้ ป, ปฏิวัติทั้งฝั่งนี้น้องสนพิจิตบ้านสามงามประวัติศาสตร์ การเหลียมีหน้าที่อะไรแต่กระลุงพ่อหมายเลยปูเสือปูชนะเตรียมนาลูกภาษาอีสานไหมคือจอบลอยไปทำตอนเขาไม่ยังไม่ตื่นอาเจละปูวยเรียบร้อยบ็ดดาจัเหลก็ติดลมด้วยเป็นยังกินนมแล้วคือไปว่างต้ฐานพะลูกกินนมแล้วขึ้ไปเจ็บนมกองผู้ใดวะ เอาเจ้าบ่มีคนผิดผมรับเองคนเดียวครับผมเป็นคนว่างจริงๆค้าของบ่เคยเข้ามาตลาดนีด่ติดโรมไอเรื่องเล็กๆน้อยๆน่อยให้มันผ่านไปเถอะไม่ใช่ว่าท่านนะบาอาจารย์เหลือเองไอเรื่องชีห ม, มาแห่งเรื่องม้าเฮาไปตองภาษสอีสานนะ แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณหยุดได้ไหมเจ้ะคุณจย่างหยุดบอกให้หยุดดูตัวเองอย่าไปชิดถึงบ้านอย่าไปชิดถึงเมียอย่าไปชิดอนาเมเขาจะไปชิดเรื่องอดีตหยุดเจ้าของซะจบแต่มันจบชีวิตเจ้าของไาอยู่สรุปชีวิตเจ้าของมาอยู่ห้าสิบแปดสิบปีเซ็ตกล่องดองมับหมาเลยภาษาหลวงปู่ข่าวอ่ะมับหมาไม่ใช่ตายนะ คือมันหลับไปพักหนึ่งนะคนปฏิบัติธรรมไม่รู้ใจฉันมีปัจจนาฉันน่ะเป็นพระอาจารย์ฉันน่ะเป็นเนอมีตัวตนของรูปแล้วรูปจิตมันพาไปเมื่อจิตมันพาไปโมโหติว่าใครเป็นอาจารย์เขาโมโหตีว่าใครเป็นพระครูสมมติสมมติอาจารย์เลี้ยแล้วปรุงแต่งแบ่งเสนอผมไม่ใช่ว่าใครนะ แต่มันจะโดนชีวิตใครผมก็รับไม่ไหวมันกันละ่ะไม่ยอมรับเพราะท่านเทแทนผมอะ่ะไม่ใช่ผมเทศแทนท่านท่านมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวฟังเสียงรูปเสียงรูปอยง้มันผ่านต่อยงจุดพูดไหมตามงานบุญนิตเตงตามบุญงานวมัสสุขขึ้นสวรรค์เลยภาษาภาษาชิตพุทธพุทชิด ก็เลยให้วิญญาณอิวิญญาณขึ้นไปข้างบนอาจจะยิงปืนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ย ง, ยงสัญญาณให้คนขึ้นสวรรค์สมมติสมมติประเพณีมันได้ดึงไม่ออ ก, กว่าเพณีกับวัฒนธรรมกศาสนาเลยรวมกันบทพะระคัลวัตศาสนาพิธีทําไมถึงเรียนพระศาสนาพิธีเรียนอยู่เมืองแพร่ เรียนยืออาสมแพทแสงเจนตีสาตนเีนาษาอังกตีสีครเรียนาา น, ยนัธรรมท่านตีท่านโทครูสอนคือเจ้าคุณยุทธสอนพระอาจารย์ครูเรียน <c oughs> อยู่ชั้นตแต่ไปเรียนนักธรรมท่านเอกเวลาสอสอบับชันโทประวัติศ า, าศสตร์ภาษาสุพีนัวลยเลยสิบแปดรูป ส่งไปสังกัดวัดป่าชัยะมงคลอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยยะภูเอืปรัิศาสตร์อาจารย์เหลี่ยนนี่เก่งอย่างหนึ่งนะเก่งทางลอกเขาเขียนสกระดาษใส่กระถูกลอกลูกเดียวเล่าเขาชื่อเขาตรงกระดาษสอบ จานเรยียนตัว ก, การอ่านไม่ออกตัวซื้ อ, ขอเขาไปเนาะเพราะการยอมว่าคนมันอ่านไม่ออกขำมันยอมขำมาประวัติจานเรยียนเราไม่ใช่เล่นๆ น, นะเพื่อเขาเรียนภาษาอังกฤษเรียนด้วยเขาเรียนประรถมนาฏีโทเอกเรียนด้ว ย, ว ย, ย, วยแต่ไม่รู้เรียนจสักอย่างดูมันดูมัน ปัญญามันเถิบมันหนาวก็มั น, นแป้นปีกในกระดานปี ก, ปปกเออนึกออกล้วภาษาไทยเขาเรียกกระดานเ <c oughs> อาแล้วนะพูดประวัติแค่นี้ก็พอฟังพอเป็นหอมปากหอมคอบางทีหลวงพ่อมาเหรียกอีกลุกขึ้นมาไอ้คอพับเนี่ยอาจารย์เหลียมจะพูดอีกนะเรียกไรเอ อธิทฐานน้อยก่อนเนาะนิทานกอ่อนทำไมคนชอบติทีิทานก่อนมอีสารนะคนชอบติเอ า, เอาอง่ายๆเนาะเอาพระพุทธรูปนั่งยู่เสลระทิศมีกับทิศสีทิศมีเป็นคนซื้อพระมา ทิ่สีเป็นคนชอบติดปัสสาสังกวาสีหาเลียงสีหาเหตุสีปากช่วยอย่าซื้อลูกปืนเชื่อสีเด็ดขาดใครกันนะเพราะมนสีหาเหตุแล้วก็ดันนลางไม่เกินคนชื่อสีสีแะ่รภาษาพากษสีเลนะสุกติงยันเตะเข้าใจหรือเปล่ามันเต้ พระพุทธรูปมาตั้งหน้าระเบียงแล้วก็ไปเรียกทิดมามาติพระพุทธลูกก่อนจะมาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ น, นะคนชอบตนะิขายหลายบ้านเรานีทันคนชอบตินะพระพุทธลูกคนอีสานก็เรียกภาคมานะ ลุงปูชาเขาเรียกพาคามาพาดบ่าแล้วก็มีจิตต้กลนีก็ขึ้นระเบียงขึ้นมาตะเกาวันเป็นระเบียงกันนอกชาบ้านเราแหละเนี่ยแล้ก็ลูกขั้นบันไดมันเป็นขั้นเป็นขั้นมันก็ลูกนาดนะมันก็ลูกอะไรเขาตีปงรางกันนะเพราะคนตะเก่าเขามีภูมิปัญญาดีเพราะหนาตีนโทษนะโทษหนาหนาตีนเราต้องสัมผัสหนวดหนว ด, นวดสา่าตีน แบบคุณหมอเขาฟกไปกี้นี่นะเลยนึกถึงคนชอบติดเป็นอย่างวะขึ้นมาประชาร ต, ตรงนี้ยามเ้าเป็นของยองแข่งแยงพากับบอลลักคือกันดิล่ะมันมีท่ามีท่าท่าบริหารนะ น, นี้ว่าเป็นไอดอลหอพ่มาไเล็กกันนับนไอดอลคุณหมอกันนับเป็นไอดอล ต่างคนต่างย อ, อกันนะ่ะนะจะเวันใครหลงใครวิธีนี้มาจากสันติอาสุพระโพธิรักษณ้ำร่างสารพิษคุณหมอเฉียวเราไปเปิดอบร่มอยู่บ้านน้องพักหลอดคุณหมอเฉียวไปฝึกจางเดียวฝึกโยวมารู้จากใครเมนนี้ไปเ ข, าขา้าไขยก็หลวงพ่อข้ามเฉียนอยู่สุกะโต มอหน้าไปเปิดค อ, อยู่ฉันสิบมือสิบวันแนะ่ะฉันข้าวเวลาเดียวนะ ข, ข้านะวไข่หลวงพ่อเขียนจะทำทุกปีทุกปีสุกโตตรงมาไฟหวานะเราไปแก้งคอจังหวัดชัยภูนะ้องอ้สถานที่ดีนะิยมนะป่าทึบหน่ายเห็ดกับฉันเห็ดอาหารตามด้วยดูหน้าหน่อไม้กับฉันหน่อไม้หน้าดอกแคกับฉันดอกแคอาหารตามด้วยดู ทำไมไพศาลไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยมลภาวะอากาศออกซิเจนอยู่ในป่ากะดอกไม้เกสรโดยอสมแพทย์สังเทียนดอกไอลูกดำด ำ, ด, ำดอกขาวๆเมืองแพรก็ลูกลูกขีดหมูฮรือลูกัตวะหมูลูกไข่หำหนูหรือจะไข่หำไหมไข่หำก็ไข่น้ามันอยู่ใกล้กัน ก็อกยาบจะจัดเรียนหรอกเออภาษาคำเล่าหลวงพ่อคุณพ่อคุณรามภาษาคำพูดให้ใหฟังใิเฉยเยห้ามปุงแต่แต่ปุงแต่งผิดกันนะยาวบาลีมาเทียบเทียบยาวคงลูก ม, มาเทียบเทียมนู้นทิ้งไว้เต้นขอลุยยาวยาวอุปทานมาด้วยที่เรียนพื้นตะเตีเ้ยนวิธีนี้ เ, เขาไม่ให้ มีด็อกเตอร์ไม่ให้มีปัญญาตีไม่ให้มีปัญญาหลวพอเทียนนะไม่ให้มีอะไรสักอย่าง ม, มาตะลูกกับน้ําเนี่ยรู้มันเดินมาโคโมโคโมคือเกียดอีโมเตนอับอับ เ, อ เ, ออ เ, อเรียกเชนิมัวไหมเฮ้เกียดแะภาษาไทยเขาเรียกเกียดอะไรนะเยยกีเยจจิกเกียจจิกเตี้ยบอแมนแต่ว่าไม่ใช่กาดว่ะ จะเดี๋ยว่าใครสมมุติผิด<อ>เอเออ้าวมาเป็นเฉียดเฉียดกันแล้วกัน <c oughs> จะเฉียดบกเฉียดน้ำก็คือเฉียดกบก็คือกบอื่งก็คืออื่งสมมุติสมมุติสมมุติเนี่ยจะเข้าใจว่าสมมุติเขาพูดอะไรเนี่ยเข้าใจหรือว่า ผู้ใขอยใจได้ฟังกรรมฐานของจันเหลียแล้วไปเ็สได้ได้ไปทําได้ได้ไม่ใช่ท่าแบบโยมทพิกลนะพิกลในท่ า, าจริงถ้าไม่รู้จริงหลวงปู่เทียนนะไอ้ปาดข้อหอยเลยจากเงินเด่ยนจอดสิบมือสามสิบมือคอยจะ อ, ออกเงินเดือนแห้งหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนไม่ใช่จัจเนเหลือจันเหลือไม่มีอะไรแล้วประวัติศาสต ร, ร์จะเป็นนะี่ก็จันเหลยนะ จ้างคนมาปฏิบัติทำฝั่งลาวและฝั่งไทยอยู่บ้านบูหัมบ้านเกิดท่านนะ่ะแําแม่หลวงพ่อเชียนถึงจ้างคนมาปฏิบัติมาเดินไปเดินมาเพื่อนกันนะ่ะก็ตามไปคุยไอ้ที่เดินล่มนี่ก็ตามไปคุยเพราะเขามีรู้เลี่อางการปฏิบัติคืออะไรคือการขัดเกลืภาษาศีลและบูโศภวาร ปานาจิปาตาเวรบณีเจตนาเรามาเจตนาเพื่ออะไรมคาคารวะโสเกจะผลพัยได้กับคุณ อ, อะไร ล, ลึกชื่อไม่ออพระครูพระครูรครดวงศีลน่ะผลพัยได้คือพวกเราท่านเปิดโอกาสให้พวกเรา มาคุยกันมาสมมนากันมาพูดเทคนิคเลี่ยงนะนั้นเลี่ยงนะั้นนี่ที่ตอนกลางวันโยมจัดนะนะว่าเทคนิคของคูบ่บอาจา์มาให้เลยกันยูร์เซียจะไปประวัติศาสตร์ของจานเหลือเขาฟังเ ข, อ ข, อ ข, อขอ า, ขามไม่ยอมหรือน้อไม่ยอมทำไมนี่นเกิดไม่ยอมเพราะมันมีอัตตาตัวรูปตัวนามอยู่ภาษาภาคภาษิจีน ควมานหนักของกษัตริย์อ า, าจารตุ้ยพี่หนักระวมมาเลยจบมาตนนู้นไม่เคยลืมเลย <c oughs> ยังน้อยนะนิทานเล่หงตียังไม่ได้ได้พูดเลยนะไปอะไรสุ ป, ปูสุ ป, ปูนี่เห็นคนอารมณ์มันขึ้นมายัางไงไปพูดไปยังไงคือปัจนาจ่แล้วจะให้โยมตื่นผู้รู้ฟูเบิกบานเฉย พยายทัดลูกให้ตื่นไม่ให้รับผู้พุทโธนะมันพูดขึ้นมาออาคราวนี้ทานพระพุทธลูกมาตัาง้งจหน่าระเบียงแล้วเอื่นทิฏมาตีเจ็ดกันแล้วผมกะเป็นลูกคือหอยหอยหอยหอยหอยตู่หอยขม เออไอจูบก็โคนในภาษาท้องถิ่นนะครับจูบใอีสานขมหรือภาคกลางนะอะไรกันช่ามันคือหอยมันมันมันมันมัอธิบายยากเหมืนกันคนไม่ได้ฝึกภาษาไทยมาก่อนมันไม่เข้าใจเราเนี่ยพูดเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยเต้เนี่ยตัวนี่ยเตอรูปเตอรนาผมก็สวยเจตก็สวย หอยก็สวยเออไงหูก็ยานหูก็ยาวสวยสวยสวยสวยสวยสวยูจะสวยงามงามงามคนสวยคนงามชื่อกระดกเชื่อกรนนาตาปากอะไรก็สวยดูสํารวมผู้อยู่ในสินระมัดระวังกายให้เยียบร้อยชื่อว่าสินที่เรารับไปข้อแรกกันนะ มองตาพอดีพอดีสำรวมตาจะเปิดมั่งไม่เปิดมั่งอ่น ะ, ะ, ะนนภาษาไทยเขาเรียกคนหวานตาเหร อ, อแปลมสองภาษาหละใครแนวบภาษาทต่างประเทศปลนมานํ <c> ้ำ <oughs> จำกระริ็สตีแบบนี้นะ ยกมือเรามันจำาว้ไลยไอ้คำเขาพูดเล่นๆแหะมันจำไอ้พูดคำจริงๆพัะตายไม่โดนไม่จำทำไมเป็นเนนน้อยนะใครท่องหนังสือเนี่ยไปเลยจ้เบรกเนยไม่เชี่ยกาดมันแค่นั่งจุดเถอะแล้วอะพัพพัลูพัพุัรลูกลับย้อนรีไซเคิลกลับมาพุทธก่นโอ้ยนอ ของฟูดเป็นน้ำกึ่งง่งปนน้ำมือก็สวยนิ้วก็สวยเล็บก็สวยนิ้วมือนิ้วเท้าก็สว ย, วสวยดูอะไรสวยปัดทุกอย่างพระพุทธรูปไม่มีที่ติดยถาเลี้ย น, นี่คนชอบติดคือสติปัญญาของเราไม่ชอบติคนอื่นนะมองเป็นเขาแต่ละพัดปัญหาไม่ได้ก รีเซ็คเกิลคือกับลงบ้านหนีภาษาไทยเขาเลือกโรงเรียนหนีเดินไปไปเจออะไรแม่กัดไปเจอฟักทองฟักทองใบมะลาเท า, าวันนิดเดียวลูกโอ้โหเหมือนก็ลูกค้องลูกกระจัดติธรรมชาติคนชอบติ ดอย่างักทองมัไปสาสาเขาเรียกมะอือแต่เมืองแป้เขาเรียกอะไรวะแมะอือักทองฟักทองอา่าเนนี่คือฟักทองวั น, นี้ก็เดินไปเดินไปมันก็บ่ายสามโบ่ายสีมงมงยส่มงบาอาจอารย์ใหญ่เอเวังก็มีเนี่ยพิจารณาและแท้กน็นั่งจิตยาบุตนอนอิสราเอลอิสราเอลอิสรอาอัล ผู้ง่ายๆนะอิสัาเอลมันก็หมายถึงว่าเรานั่งพิงต้นเสานั่งพิงเก้าอีเ้เลื่อว่านอนหรืออาลับนะที่นั่งสมาธิหลับแล้วลูกไอ้น้้ำจิ้มลูกชิ้นน่ะนะก็เรื่องอะไรน้ำพึ่งเหรอมันหยดออกทั้งสองข้างพ็จะดูทานันเหมาะเลยคุณสวัสดิทําบ่อยที่สุด อาจินบุรีสักแก้วผู้ชิงเรื่องประวัติประวัติโดนดีมาค่อคยหลับครับแต่ว่าตุ๊กเขาอีดบ่อยที่สุดจานดวงศิลป์จานกระสินกําลังนั่งยกมือวันนี้จะไม่หลับจะไม่นอนแล้ววันนี้จะไม่ติใครแล้ววันนี้จะไม่เอาใครละกินนั่งอย่างเดียวฉันขอไม่ไปไปบอกเห็นนั่งหลวงพ่อมาให้เรียก็ห้าม คือจะไปอาหลับง่ายๆนั่นเก้าอี้เราขัดทับาดยกมือไปยกมือมาว้ายเคยยกล่อไหมเดินยังก้มพักก็ยกล่อเหมือนกันนะแต่วราเอาหัวไถดินนั่นแหละเลวันนอนมันเข้ามาอาหลับมันก็ตามมาเข้าใจหรือเปล่าเข า, าษนะ า, างจิตนี่ยภาษาอีสานผสมภาษาภากลาง ทำไมที่อาจารย์เหลียงพูดวันเลวันนอนอิสระเอ็กลับมาถึงว่าพิงทั้งหลังอาล่าก็ขึ้นนั่งสมาธิหลับยิงยุบหนอฟองหนอสมาลาหังนั่งหลับตาเซตนิวรันปั๊บนิวรันไม่ใช่พาจิวนันผือเนื้อนิวรันคือความหลับไหลไอตัวชิดลูกก็คือนิวรันตัวชิดนึกก็ ค, คือนิวรันมันควบคุมเบ็ดหลวงพ่อนิวรันเหยใจนอน กิวอนคุ้มป่งนะครับนี่มันา้าสมมุติว่าเป็นกีวอนแต่ไม่ต้องภาษาบาลีลวสวดนิวานนิวานห้าอย่างนั่นแหละคือแก้อารมณ์ตัดติดลเรามาฐา น, นเจลิญนะอยู่บ้านลนค้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดเจนขอนลูกศิษย์หลวงพ่อมหายเเลชท่านไปปล่อยไว้ที่น่นสาสิบแปดปีแล้วนี่กบวได้สาสิ บ, บ สามสิบตัวได้สาสิบยันยันทับไปเนาะไม่กล้าบอกหลายหรอกยันโยม4ีเรียดนำาจอ่างพนสายผ่าจีหวงเขีขึ้นมาหน่อยแถวจุก็ธรรมดามอลังก็ตองอางมีห่อเนาะนักเต้นนักอะไรกันขึ้นนักนักนักแต่มันบาจนน้งนิทานชอบตีและวรีเซคเกลกลับมาที่เก่าไปเจอต้นมะม่วงนิทานชอบตี ภาษาหลวงปู่ชาว่าผักขมากปูปั๊บมิติโตถือไปฟันหักปั๊บแล้วก็นอนมือไกลเนี่ยผากจารท่องด่วนเป็นไว้ที่สุดนั่งสิบมทียโกนทะเลเลยพระครูพระครูใหม่ๆจัดตุลาจังหวัดชัยภูมิก็ขอขอโทษด้วยดี่เอ่ยชื่อเล่นไม่ถูกกะลักเกสานี่จัลเลียมันเล่นบ้งบองบาบภาษาเอ้อ ทำไมถึงจำได้เพราะรูปสิทธิ์หลวงพ่อจันลันเจรนสัมปันโนบ้านห้วยอากาดิโกตงวดเดชจัตตุออำเภอจัตตุไม่ใช่จัตตุพิมานนะยืนขึ้นทำนึกนวัดหลวงปู่โกมบ้านหลวงปู่โกม การิทานเลี้ยงนี้กัพอไปนอนอยู่ใต้ตจนมะ ม, ม, ม่วงหรีไซเกิลกำลังไปทั่วที่ถั่วแดนแล้วพระบาทชนดิดพระเจ้าอยู่หัวถามว่านกเขามันกินอะไรคนมเมืองเลยก็ตอบว่ามันกินถั่วที่ถั่วแดนอา้าวสารักอา้อาวปัญญาอ้าวกำลังไปปลูกถั่วที่ถั่วแดนให้นกเขากินหน่อยอผมก็งงมันกับมุกพระบาทเอา้า บ้านจอาจไม่ช่วชีพชดวยแดนถัวมันมีนะไอแดนคือเขตแดนจังหวัดขมรพม่าแล้วมันตีไปยังไงนะโยมไอมุกตลกตลกหล่ะมันตีไปคนละอย่างเลยมืรอึกมันก็ออกรอดกระสานใส่สังเอากระถาหอดป้องพระปัญญาคงลกรู่ในกองศึกษาคือมันลู่หอดป้องลู่มัคือบ้าดคือเมืองเขาอ๋อลงอีสานนี่เด้อ ฮารีเซเคเกิลกับมาคนที่นอนวะโ ม, มงชอบติแตวมันจะมาจบไงมาดิเทวดาขายพาอินพระพรมขายพาอินทิราชทิมรณาจะ3าย็บปังตะพุง่งหลวงพ่อพายินชื่อพาอินขายกระลมบ้านเราเรียกอะไ ร, ไ, รไปลมมวน่ละลมงวงช้างอ่ะลมพายุก็ได้ฮะบาริสานเขา ผมเรียกลมหัวคุดภาษาไทยเขาเรียกลมหัวด้วนจะว่าจะถือรือไม่ถือผมก็แปลวันคือลมมลันและลมมันพัดนสรุกด้วยมีมีมีแนวร่วมเลยก็ขออนุโมทนานํำเดอแต่แดีว่าฟังอิสานลูเรีอยงมาม่วงเลลูกเล็กๆเน่ะมันหล่นลงมาใส่กบานเคยฟังนิสาน ตื่นตูมตูมตื่นกระต่ตายกระเต่าสิงคัดอันอนั่นแหละไปใสาสายว่าลุกพุ่งไปเรียวไส้เลียลขวขัวไอมองไส้มองขัวแหลมมองมันไม่มีคนเวลามันหลับนะมันตกเก้าอี้ไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันไม่มีคนมันอดขับอะไรคนเรือี่โกงกั น, นๆๆแต่คอหันหน้าหนีไอ้นี่ก็คือกันคนชอดติเขาขำโอ้ยบรรลุความขึ้นเจ้าของนอ ไม่รู้ว่าจะของคิดอย่างน อ, นอ ค, คิดทั่วที่ทั่วแดนคิดทั่วที่ทั่วแดนนึกชิดพุทธพุพทธโธนะครับนึกไตรสารชิดศาสนาชิดปุ้งการสมทรงอยู่กรุงเทพทเจ้าหลวงปเจียนเปะ บูรณะที่วัดนั่นแหละอย่าปรุงแต่งอารมณ์มันทุกข์ก็คือปรุงแต่งชิดนึกต้นเหตุไม่ใสบตลับนี่ไฟอยู่ที่ไหนได้คำตอบหรือยังครับถ้าไม่ได้คำตอบตามไปหาวัดอาจารย์บุญเหลียเอวังก็มีด้วยปากกาละเชนี้นิทานนี้คนชอบติ าอาไม่คิดแต่ว่าดนข่าวใจนี่ด้าข้า่ข้างไก็เป็นประจัน บุญเหลื อ, อยาณธรรมโมอเนเนี่ยเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอนะพระอาจารย์บุญเหลือเป็นเป็นที่อะไรที่มันมันผ่อนคลายอนะเนาะเวลาอยู่ในธรรนักมีมุขขำ ม, มุขหาเวลาเราเราทํางานเราเครียดเคียดเนี่ยนะเราไปเจอพระอาจารย์บุญเหลือนิ้ท้ายเก็บแล้วก็ เป็นเป็นพี่ใหญ่ที่คอยสังเกตนะความเป็นอยู่ความเป็นไปในสำนักใครถนัดแบบไหนอย่างไรใครไม่ถนัดอะไรยังไงหล้วพระอาจารย์บุญเหลือจะเก็บเก็บรายละเอียดเรื่องเนี้ยนะเรื่องเหตุการณ์เรื่องอะไรในสำนักอะไรมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองจะไม่จะไม่พูดเป็นวิชาการอาจารย์บุญเหลือหนี่ย จะไม่พูดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรแต่เป็นเป็นเป็นพี่ใหญ่ที่มีปฏิพาน์ปฏิพานธไหวพิบเวลาแก้ปัญหาก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแต่สอบได้ไอ้ที่เรียนเก่งๆสอบตกมดไม่รู้ไปเขียนเอาชื่อใครเข้าสอบเ อ, อไปเซ็นหลายช่องของเขาเขาเลยมาเซ็นช่องเราหรือไงประมาณเนี่ย น, นะ อาตมาเคยเป็นกรรมการสนามสอบมันมีนะไปก่อนเซ็นก่อนไงไ อ, องนี้เรียนเก่งเซ็นมันช่องเขานี่แหละ <c oughs> เอาชื่อเราไปลงอเขามาทีหลังไม่มีช่องอะต้องมาเอาช่องเราเซน็นคะแนนไม่ได้เลยก็เป็นที่สงสัยว่าอาจารย์บุญเหลือสอบได้ <c oughs> น้องๆ น, นี่เรียนเก่งแขวบข่องว่องไว้พากันสอบตก <c oughs> เอเป็นเรื่องสงสัยก็ทัางบัดนี้นะ จะว่าไม่รู้หนังสือนังหาเนี่ยแต่ปฏิพัน์เนี่ยโอ้โหนะเอาเป็นว่าแก้อารมณ์ได้เนี่ยไม่ไม่ธรรมดาหรอกนะไม่ธรรมดาก็เกิดในยุคนะก่อนแพรแสงเทียนอีกนะหลวงพ่อเทียนรุ่นสามศูนย์ทางอีสานจะรู้จักมาทางเมืองแพรนี่ต้องมาสามสามสามสี่ละก็มาอยู่ที่ปูจแจลำบากแค่ไหนยังไงก็อยู่ได้นะอยู่ได้ แผ่แสงเทียนยุคแรกๆ ก, ก็บางทีถ้าเราไม่เรียกว่าลำบากมันเป็นมันเป็นมาตรฐานของนักปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยพระอาจารย์บุเหลือก็อยู่เป็นเป็นพี่เลี้ยงนะให้กำลังใจหลวงพ่อก็นิยมให้ไปไปรักษาการตามสานักต่างๆนะสานักต่างๆบางทีเจา้าวาดมรณะภาพยังยังปรับไม่ถูกนะยังปรับไม่ถู ก, กว่าไปยังไงมายังไง บางสำนักเนี่ยเจ้าสำนักหมอระภาพเราก็นึกว่าเบอร์หนึ่งดีเบอร์สองดีอะไรมัวแต่นึกพออาจารย์บุญเหลือมานี่เบอร์สามดีกว่าเพราะไม่หือไม่อือ <c oughs> นะไม่หือไม่อือเนี่ยเป็นสภาพเขาเราียกว่าปรับแล้วมันนิ่งอ่านะปรับแล้วนิ่งบางทีเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันมีกระเพื่มเนะี่ยกระเพื่ระอาจารย์บุญเหลือจะมีเทคนิคตรงเนี้ยสูง นะสูงในการเป็นอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยแล้วก็กสบายใจนะเวลาอยู่ใกล้คุกคีเนี่ยบางทีก็เป็นไอดอลได้นะบางเรื่องเนี่ยเป็นได้แก่อารมณ์อะไรอะไรเนี่ยบางทีเรียนมากรู้มากอะไรมากก็แก่ไม่ได้เออคนไม่ได้เรียนอะไรมากก็แล้วก็มีภาษาธรรมภาษาโลกมีน้อยเนะ่มีภาษาธรรมได้ ้ในเช้าวันนี้เราได้ยินได้ฟังเสร็จแล้วก็น้อมนำเอาอุบายทมไปลำลึกนึกถึงไปปฏิบัติเอาเดินถวายกันเทศก่อนเอ า, เอ า, เอาแม่ชีใะแม่ชีอยู่แถวหน้าน่เอขามาด้วยขาด้วยเออเอาแม่ชีอยู่แถวหน้าเนี่ยลุกถวายกันเทศมึ นี่หลุนนี้จะรู้ใจกันเจอกันหลายสนาม้ชบ นั่งวัตถุสัณนั่งอัตวะจนันเรี่ยงวัน้อเอาละพรละอละรพละรพก็บสลูกันเทศละลูกนึกดีคิดดีปาฏนาดีความรู้ดีๆจะเป็นยังงั้นละ อะก็ดีบดลุงพ่อพอดีอะไรอะไรกันอื้นอน้อลุงพ่อน้อหัดสรุปชีวิตเจ้าของมั่งก็จะเข้าหม้อแล้วเขาจะตายแล้วอื้นอน้อบางมันกิเลสบางอย่างต้องอื้อต้องน้อนบางสิ่งบางอย่างมันก็นดีดีเีล า, มาโมโ ห, โหเจ้าของอะไรก้อนคำเอ้ยก่อนคำเอ้ยสรุปอารมณ์เจ้าของซะอายุก็มากขนาดนี้แล้ว อะไรอะไรก็ทำมาบสถ์กอดจันเหลียเราจันเหลียยังไม่มีลูกมีเมียยังไม่มีอะไรก็สรุปซะอายุพรรคนี้แล้วเออเจ็ดดีก็ให้มันดีจํารวยก็ให้มันรวยถ้าต้มีเยอะๆก็บบมาทาบุญกับพระอิปัสสนาจย์สงสารท่านมัง่งใสกี่วรขาดๆสีดำนุ่งดำดำอานนี้มาสักผ้าให้พระมัง่งบางทีมันจะได้ข้าวสาดเหมือนกันลูกกันน้ํา นี่ละคือคำให้พรพระอาจารย์บุญเหลียสา